หปัจญานุลมสองสังคยาวาระสุทนห้าสิบเอดเฮตุปั จ, จัยมีสิบเจวาระอารมณะปั จ, จัยมีสิบเจวาระอธิปติปั จ, จัยมีสิบเจวาระอนันตระปั จ, จัยมีสิบเจวาระสมนันตระปั จ, จัยมีสิบเจวาระสะหชาตะปั จ, จัยมีสิบเจวาระอัญญมัญญปั จ, จัยมีสิบเจดวาระ นิสยปัจจัยมี17วาระอุปานิสยปัจจัยมี17วาระปุเรชาตปัจจัยมี17วาระอาเสวนปัจจัยมี17วาระกรรมะปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาระปัจจัยมี17วาระอินเทียปัจจัยมี17วาระชานะปัจจัยมี17วาระมัคคะปัจจัยมี17วาระ สัมปยุตตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระวิปยุตตปัจัยมีสิบเจ็ดวาระอธิ um ปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนัธิปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจยะปัจจนยะหนึ่งวิพังควาระนเหตุปัจจห้าสิบสอง สภาวธรรมที Cette, setting, ais, ่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที bueno. ่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปปัจจัยได้แก่โมหะที่สรโคดุวิจิกิจช้าทำขันที่สอโรโคดุวิจิกิจช้าให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม ทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนัเหตุุปปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วยอุทจจะทำขันที่สหรโคด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะบริบูรณ์แล้วจะกขวิญญาณทำจับกายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายะตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นอเหตุกะ ซึงมีเหตุไม่ต NO. e Univers ้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหอรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคดอุทจจะรรมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 53. สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก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 ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรอกดูอุทจจะรมขันที่สหรอกดูอุทจจะและธรรมทายวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึน้นนอารมณปัจจัยห้าสิบสี่สภาวธรรมที่มีเหตุไ er ม, ม, ม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึน้น เพราะน่าอารามณะปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอารามณปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอารรมณปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัดารูปทำขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก และไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นภาทยวัตุทําขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นธรรมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับเหล่าอสัญยาสัตรพรมห้าสิบห้าสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรักและมรรคเบื้องบนสามทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรัก และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบืงบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอารรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่โสหะรคตวิจิกิจฉาและรำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก แลมรรคเบื้องบนสามทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพรานะน่าอรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปทำขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานารูปทำขันธ์ที่สะหโรควด้วยอุทจจะ และทําโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนณอธิปฏิปัจจัยเป็นต้น46สภาวธรรมที่ม well ีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนณอธิปติปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตะปัจจัยเพราะณอนันตระปัจจัยเพราะนณสมณัตระปัจจัยเพราะนณอัญญามัญญปัจจัย เพราะหนะอุปาณิสยปัจจัยเพราะหนะ้ปุเรชาตะปัจจัยเหมือนกับปัจจนิยในปฏิจจวาระมีสิบสามวาระไม่มีข้อต่างกันเพราะหนะ้าปัจฉาชาตปัจจัยเพราะหนะอาศัยวะณปัจใจหน้กรรมะปัจใจห้าสิบเจดสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัค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 สายขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม ทำขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและไม่ต้องประหารด้วยมักเ <ount> บื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุสทฐานที่มีอุตุเป็นสมุสทฐานเจตนาที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำหาทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก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 เพราะนักรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุติเจตนาทำโมหะที่สหรูคตด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นห้าสิบแสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและทำหะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุตตาเจตนาทำขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกกรรมปัจจัยแอบแก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุตตาเจตนาทำขันที่สสระคะด้วยอุทจจะและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนวิปากระปัจจัยเป็นต้น สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณวิปากาปจจัยบริบูรณ์แล้วไม่มีปฏิสนธิเพราะณอาหารับปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอาสัญญสัตยพรมเพราะณพินทริยปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐาน ที่มีอุตุเป็นสมุธฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตวพรมรูปปัจจิวตินสถ้ามหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณชานะปัจจัยทำขันหนึ่งที่สหรคต ด, ด้วยปัญจวิญญาณที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุธฐานที่มีอุตุเป็นสมุธฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตวพรมเพราะนามคัคคปัจจัยทำขันหนึ่งที่เป็นอเหตุถกะเพราะณสัมปยุตตะปัจจัย เพราะนะวิปยุตตปัจจัยเหมือนขับนวิปยุตตปัจจัยในปัจจนิยะแห่งปฏิจจวาระไม่มีข้อต่างกันมีสิบเอ็ดวาระเพราะโนนติปั จ, จัยเพราะโนวิคตะปัจจัย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 นปัจฉาชาตะปัจจ hmm. ัยม really ี17วาระณออเสวณปัจจัยมี17วาระณกรมปัจจัยมีเจวาระณวิปากปัจจัยมี 17, วาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสำปรยุตตปัจจัยมีหวาระณวิปยุตตปัจจัยมี 11, ดวาระ โนนัตติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยจกาสปัจจญานุโลมปัจจน尼ยะเฮตุทุก น, นายหกสิบเอ็ดณอารมณปัจจัยกะเพตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสิบเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระ ณสัมเนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสิบสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอเสวณปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระณวิปากะปัจจัยมีสิบเจดวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ ณวิปยุตตปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญจิยะจบสปัจญยะปัจญจิยานุโลมณเหตุทุกข์ภายในหกสิบสองอารมณ์ปัจจัยกำนเหตถุปัจจัยมีห้าวาระอันันตระปัจจัยละถึงมีห้าวาระ สมณั是是นตระปัจจัยมีห้าวาระสาชาตะปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิสียปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสียปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระอาเสวชนปัจจัยมีห้าวาระกรรมะปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีห้าวาระ อินทริยปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีห้าวาระมรรคปัจจัยมีห้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระนัตถปัจจัยมีห้าวาระวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้ปัจญิยานุโลมจบ ปัจยวาระจบนิจยวาระเหมือนกับปัจยวาระเก้าทัศเนนะปะหาตับพระเหตุกะตึกกะห้าสังสัทธวาระหนึ่งปัจยานุโลม หวิพังฆวาระเหตุปัจจัยหกสสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเกิดรกรกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกรกับขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคขันสองเกิดรกรกับขันสองสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมัคเบื้องบนสาม เกิดรคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันธ์สเกิดรคนกับขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาขันธ์สองเกิดรคนกับขันธ์สองสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมรรคเบื้องบนสเกิดรคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมรรคเบื้องบนสามเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ ขันสามเกิดรกรกขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดรกรกับสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเพราะเหตุกอัจจัยได้แก่สัมปยุตจัขันเกิดรกรกับโมหะที่สองรก ด, ด้วยจิกิจฉา สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเกิดรกนกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่สัมปยุติขันเกิดรกนกับโมหะที่สหรครด้วยอุทจจะหกสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคเกิดรกนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรค และมักเบื้องบนสาเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกนกับขันหนึ่งที่จะหรอพรกรวิจิกิจฉาและเกิดรกนกับโมหะขันสองสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสเกิดรกนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมักและมักเบื้องบนสามเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ขันสาม เกิดรกรกับขันหนึ่งที่จะหัรกคด้วยอุทจจะและเกิดรกรกับโมหะขันสองอารมณปัจใจหกสิห้าสภาว PAR ะธรรมที่ม e ีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดรกรกับสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกรกับขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคขันสอง สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดรกรกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่โมหะที่สโหระโคดวยวิจิกิจฉาเกิดรกรกับขันธ์ที่สโหระโคดวยวิจิกิจฉาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเกิดรกรกับสภาวธรรม ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันสามและโมหะเกิดรคนกับขันหนึ่งที่สหโรโคด้วยวิจิกิจชาเกิดรคนกับขันสองเกิดรคนกับสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสมีสามวาระ66สภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเกิดรคนกับสภาวธรรม ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื three, ้องบนสาเพราะอรมะนะปัจจ ah, ัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาขันสองเกิดรัคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม เพราะอารามณปัจจ er ัยได้แก่สัมปยุติขันเกิดรกรกโมหะที่จะหัวรกรด้วยวิจิกิจฉาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดรกรกสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามเพราะอารามณปัจจัยได้แก่สัมปยุติขันเกิดรกรกโมหะที่จะหัวรกรด้วยอุทจฉาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรค เกิดรกรวกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและที่มีเหตุไม <love> ่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและมรรคเบื <off> ้องบนสาเพราะอรมณปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกคนกับขันหนึ่งที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและเกิดรกรวกับโมหะขันสองเกิดรกควญกับขันสองและโมหะสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเกิดรกคนกับสภาวธรรม ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกับขันหนึ่งที่สะหรโค ด, ด้วยอุทะจะและเกิดรกับโมหะขันสองอธิปฏิปัปจจัยเป็นต้นหกสิเจสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคเกิดรกับสภาวธรรม ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรคนกับขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักขันสองเกิดรคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเกิดรคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบนสามเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยสโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาขันสองเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัยสหชาตระปัจจัยเป็นต้น68สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดรัคนกับสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก เพราะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสยปัจจัยเพราะอุปนิสยปัจจัยเพราะบุเรชาตปัจจัยเพราะอาศัยวณปัจจัยเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิบากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรียะปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมัคคะปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอัติปัจจัย เพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตะปัจจัยเพราะอาวิคตะปัจจหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังคยาวาระห9เกเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระ อารามณะปัจจัยมีสิบเอดวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอานันตระปัจจัยมีสิเอดวาระสมนันตระปัจจัยมีสิบเอดวาระสหชาตะปัจจัยมีสิบเอดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสิบเอดวาระนิสยปัจจัยมีสิเอดวาระอุปนิสยปัจจัยมีสิบเอดวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสิบเอดวาระอาเสวะณปัจจัยมีสิบอดวาระ กรรมปัจจัยมี11ดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจจัยมี11ดวาระอินทรียะปัจจัยมีสิอดวาระชานะปัจจัยมี11ดวาระมรรคะปัจจัยมี11ดวาระสำปรยุตตปัจจัยมีสิอดวาระวิปยุตตปัจจัยมี11ดวาระอัติปัจจัยมี11ดวาระนัตติปัจจัยมี11ดวาระ วิคตะปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจจยะปัจจนียะหนึ่งวิพังขวาระนัเหตุปัจใจเจ็ดสิบสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเกิดรกนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเพราะนัเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่โสโรคด้ ว, วิจิกิชา เกิดรคัควรกับขันที่สหรคตรด้วยวิจิกริชฌะสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมรรคเบื้องบนสาเกิดรัควรกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเพราะนเหตุตุปปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรูปด้วยอุทจจะเกิดรัควรกับขันที่สหรคตด้วยอุทจจะสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมรรคเบื้องบนสาม เกิดรคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเพราะนัเหตุตุปัจได้แก่ขันสามเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามขันสองเกิดรคนกับขันสองในปฏิชนที่ขณะที่เป็นอเหตุตุกะเนื้อธิปฏิปัปจจัยเป็นต้นเจสิบเอด เกิดรคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เพราะนอธิปติปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับสาชาติปัจจัยเพราะนบุเรชาตปัจใจเพราะนปัชชาชาติปัจจัยเพราะนอเสวณปัจจัยเพราะน่ะมปัจจัยมีเจ็ดวาระเพราะนวิบากปัจจัยเพราะน่ชานะปัจจัยเพราะนมัคคปัจจัยเพราะนวิปยุตตปัจใจสอง ป, ปัจยปัจญิยะสสังคยาวาระเจ็สองณเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปฏิปัจจัยมีสิบเอดวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสิบเอดวาระณปัจฉาชาติปัจจัยมีสิบเอดวาระณอาเสวนปัจจัยมีสิเอดวาระนกรรมปัจจัยมีเจดวาระณวิปากะปัจจัยมีสิบเอดวาระนชานะปัจจัยมีหนึ <tone outside> ่งวาระ นัมมะะปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยะจบสปัจจญานุโลมปัจจ尼ยะเจ็ดสิบสามนอธิปติปัจใจกะเพตุปัจจัยมีเจดวาระนัปุเรชาตะปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระนปัปชาชาตะปัจจัยมีเจดวาระนอาเจวะนปัจจัยมีเจดวาระ นักรมปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจัยมีเจดวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเจดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญิยะจบ4ปัจจยปัจญิยานุโลมเจ็อารมณะปัจจัยกับนัเหตุถูกปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจใจละถึงมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระ สหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระนิจญาปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระหาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระ ชาณะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสองวาระสมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระณฐิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจิญาณุโลมจบสังสัวาระจบ สัมประยุตวาระเหมือนกับสังสัทธาระ